พระธรรมมเตศนาจารดเครื่องนาคเขาคำภูติสองเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูประเรียนธรรมฮุกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไายนะโมโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุนันทิโยเซนปาโมคกทาพิภุโตกาสังปริเสีติสาวดูราสปุริตาตั้งลายตั้งยิ่งใจนมเทาอันนังเฝ้าฟังธรรมจุงจักจำติดต่อ บาททอบาลีนิยายมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสานาวาโซนันติโยเซนาาโมโคโดังนี้เป็นต้นติดสืบสนตัวไปจุงแปลงใจจื่อจ้อยฟังเรื่อง้อยเยาว์ใหญ่เราจะไขก า, าวชี้ือแจ้งที่ตามมีบัตนี้งลยนะ โซนันติโยอันว่านันติญาภู้เทาเสนาเก้าเวียงใจโกธาไนบ่อเหือตร้อนไม่เดือดเครื่องขีก็ต่ำดีปลายดอกบ่อแจ้งบ่อความในเฝ้าใส่ใจลูกเต้าไปไว้เจ้าอุปราชา จู่วันมาจจใจดังเก่าไว้หุ่นหลังย้อนขึ้นวังไข่เน่าเอาหน่อเต้าเป็นเคยขึ้นเหมือนเฟยกิ่งไม้ฮักหล่นได้ยามลมย่อมหล่นถมปืนเก่าดังกำเก่ามีมาว่าพานยาปิ่นเก่าฮักคนเฝ้าเห็นกันเคลือเขาวันวันไม่ ต้นโยกไกลบังเง้าใจงามเล่าอุป ร, ราชกับดังดาสุนทารีดังเล็กดีตีแผ่มือย่อมแก่หินขมปัดย่อมสมใจไฟเกิดไฟใดตันตาคุณเสนาผู้เทาหูงเงินเก้าใบาจริงคงคลายบ่กขาดไปไวอุป ร, ราชตั้งวันก็มีฮันและนะ สนะสโสปนาโสมตตุราชาส่วนว่าพาญาสมาตดัดยศใหญ่เป็นเตาา้าไม่เสวยเมืองเตนบุญเรือ่องตนปอปฏิบัตต่อตามธรรมบ่หมัมวดากนะจยบบ่ขณาพระวิตาสาธรรมมีบ่ขาทตามบทบาทโบราณสาลาตน จ, าจา่าใจหักษาสินไว้กับตัว บ่อหม้มัวผ้วาบาทละเวนขาดอา ก, กุศลสายน้ำฝนหลังตองไข่เขตต้องธ า, านีกึ่งเดือนมีมาไข่ฝนหาใหญ่ลงมาโอจะนาลายแล่ลูกไม่แพ่บัวระมวลของให้ส่วนบ่ไรจุมไผ่ไตเจยบ้านสาทุการสาสาว ว่าตันต้ามีบุญเตวาดาดุลสรงตุ้มหื้อเมืองจุ้มเย็นใจจุ้มคนหนภัยน้อยไ ข, ข, ข่กาวถอยโยกุอ <c oughs> ยังต้าตนบุญยอดใหญ่หูแจ้งไข่แดนไก่ก็มีฮันและนาะ ส่วนอุ ป, ปาราจา้อยนาดโยภาสาดหอจันยินเสียงนั้นเหล่าเศ้า ว, ว่าเจ้าปีเต้ามีบุญเทวาดานุนสรงยู่หือได้อยู่เจยบ้านสุขสำราญน้อยใหญ่เกิดขึ้นไข่าทานี้ย้อนป่ารามีปีเต้าจักหนองเนา่าปามา อุ ป, ปาราชานุ่มเดาฟังกำเล่าเจ้าเมืองมีกำเครื่องลายแหลโกท่าแผ่ภายในว่าสันได้ไผ่ไตตั้งน้อยใหญ่นิ่งใจได้ปักหมาเก่าวอ้างแต่ปีเจ้าจังใจเดียวบอกึดเหลวขนิงสอดบอจะรอตอนกู เจ้าบุญจูผู้ปีใดนั่งตีเป็นคุณกูมาลุนเป็นน้องใดนั่งห้องอุปราชาจูวันมาคำเจ้าช่วยพี่เจ้าจูอันอ <c oughs> ันเขาก็หันแลลหัวป้อยบอ่อจะเตึงบ่อรำเปิงกึดขวาดเขาพระมาดกูลายกันกูบ่อตายความนาได้เป็นเจ้าฝ้าหอ่อคำ ต้นดักำอันใหญ่กูจักใส่ตกปั่นหื้อเข่ามันจู่ผู้ใดกุดหูสัญญาอุ ป, ปาราชานยศใหญ่ห้อนเดือดไม่ปั่นไฟค้าดิ่งไหนไหลแลกึุดใจแพรลายแสงกอบีหันแหลน้ ต่อปัาญาแรกแต่นั้นไปนาบ่อเดินจ้าหึงนานพระผู้บ้านพรหมมาตราดเจ้าภาศาตอง อ, งอง่อนก็เมื่อม้อนก้อยกาดด้วยผาญารเรียวปั้นห่อบ่อตันจักใดตกยาใสรุมราความโศกาอันใหญ่เกิดขึ้นไข่ฟูรี นางเตวียอดซอยตุกจังหอยเววุ่นตีอกตนบ่เหือดร้อนไม่เดือดนำนาปริเตวานาลืมเหล่าว่าข่าแด่เจ้าเนื้อหัวสันได้ตัวปีเต้ารีฟังฝ้าเมื่อมนละนากรเป่าว่างละเมืองวางเสียดายละสองใจลูกเต้าฮื้อมนเ้าเครื่องขี ลาเตวีมอนน้อยเฮอต่ำก้เอยเวว่าคาเตียงมาร า, ามมวยหมอดอยู่บ่รอดนันไปย้อนสายใจพี่เจ้าละคาหนองนาเตวี ดับอินทีความนาแล้วรีบกว่าวอยๆค่าจักตัวห้อยปีไทยย้อนโศกไหมเบียนคีนางเตวีหยอดซอยริรำถอยนานาและนาส่วนโสมาตัดยอดใหญ่พงเป็นเต้าไม่เสวยเมืองยินขี่เครื่องบ่อน้อยริรำถอยเก่ากฐาว่ากัตสัมมาลุโคราชา ดังนี้เป็นเก้าว่าคาแด่ป่อเจ้าใส่ใจเหตุสันใดพ่อเต้าเร็วรีพามารณาละสองบุญตาบุตรตาหนุ่มเนาละแม่เจ้าเทวีเอือทุกข์ขี่ลำบากใด้ทุกข์ยากเคลื่อนแกนคาได้เต้นป่อไทยพงยังไม่นำนาสันได้จ้าป่อเต้า ป่ออยู่เยานานไปเฮ้สายใจลูกไทยหูแจ้งไขกิจการถึงเมื่อนานไปนาพ่อเจ้าฝ่าก่อยเมื่อมนป่อยรีบจอนกว่าจอยละลูกน้อยเครื่องกาสมมาตัดราชจ้าเต้าใหม่ตกเอาไม่ไปในน้ำตาไลอาบนาจาจมว่านานาก็มีฮันแนนา โอปานาโอป้าป ร, ราชาส่วนโอป้าราชาหนอดไทยังโคตรไม่ฟังในึิดในใจบอกขาดว่าต้าโอทิราชพิตามีเสน่หาหักลวบบ่ทวนถูกเสมอกันฮักจอมควันปีเกา้าเอเป็นเจ้าหอใจเอาใจไก่ลูกลา เออโยธาเป็นอุปราชาความโกธาดังนี้ร้อนวาวีตั้งวันกันเจ้าห่อจันพรห ม, มตระรารได้กอยกาดมราณาอุปราช า, า, ชานุ่มเนาบ่อมนเศร้าเครื่องขีซ้ำยินดีบ่หน่อยย้อนใจถอยอาทำว่าเจ้าหอ่อํำตนป่อมักด่าย่อตสอนกู บาปมาจูจุจอจจิงมวยหมอเเรียวไวแต่นี่ไปไปนไ า, าไผบ่ทามาจาไผอยามาจักซนกู้บ่อ่อนย่อมไผหนอนใจอุป ร, ราชใจเฮาหาปลาบ่โซกามุนเศ้าหันแม่เจ้าเทวีกับเจ้าปุรีปีไทยร่องรไห้เรรน แสงตีอกตนท่าทาบเพียะน้ำตาอาบตัวห้อยก็มีหันและนากันความโสกาไม่มาดก้อยก้อยกาดบางเบาเจ้าห่อควางยศใหญ่คือเจ้าไทยสมมตัตราชา ก็ฮือสัญญาเปล่าร้องไปตัวห้องเบียงใจฮือคนไหนไข้ไตหูแจ้งไข่จูคนคนโกละหลอยากเจ้าเกิดไข่ดาวเมืองหลวงคนปันปวงน้อยใหญ่ร้องให้ไข่หนิงใจเหตุเสียดายพอเต้าอันดวนเฮาเมื่อมอน ส่วนพระผู้ทอนเต้าใหม่กันเจ็ดวันไขว่มีมาก่อฮือดาตกแต่งตามปิมแปงโบราณแล้วทรงสากการปอเจ้าตามรีดเก่ารอยเดิมกอบมีหันและนา สาปานาเทวีส่วนนางเทวีหยดซอยตกจองห้อยนำนาไหลหาบเลี้ยวยังเต่าต้นแก้วผัวควันตกมาปันบ่อเหือดออนไม่เดือดวันคืนจักเตียวยืนนอนดังนำตาลังไหลน้องใจบ่อปองเขานำเวนเสียงซ้ำของวานบ่อปอนานแต่เรา เพียที่เขาเบียนขี้โรกามีหลายลูกเขาต้องถูกตกถมนางอุดมแม่ไทยอยู่บ่อใดนั่นไปก็ดับใจมวยหมดไปจอมยอดสามีกาละความเครื่องกาหลายแหลไว่าอหือแก่เจ้าเมืองเต้าบุญเรื่องสมมติราตุกมาปาดหลายอัน <c oughs> พ่อจอมขันตายภาคแม่ส้ำจากความวายทุกดวงลายทางต้องในแห่งห้องหอระไทยทุกทานใจใจจ้าดาเป็นบาหมาวินพระนารินต้าใหม่ก้อยอดใดตามทาแล้วกาะทาเลิกซากตามเกาหากมีมาคือฮือดาตกแต่งตามปิมแปงโบราณ แล้วทรงสาการแม่เจ้าตามฤีธเก่ามีมากก็มีฮั่นแลยนะตาตาในกาลนันไหนอพระทิัยสปัญญุบุญหลังจูจังกองไปเกิดทองตุศิดาแล้วไกลกาก้อยกาจากภาสาดเมืองบน มาเอาปาทิสนกำเนิดในต้องนางผาเสดผัตาวดีอันเป็นอั ก, กะมะเหสีรวมข้างแห่งพระเจ้าจ้างสมมตัดราจางยาตาและมีเมื่อใดดังอันตาตาในกาละนันไซนางนัดไทยอักะมะเหสีนอนในรอยทีดารุงนางเต้าคุงฟันหัน อันสาจันลายลากึดแ ต, ต่หากยินกลัวนางมีตัวสายสันใจไว้วันเววากันสุริยารุงแลว้วก็ไปห า, ตาเต้าแก้วพวควันไขกำฟันบอกเก่าวฮแก่เต้าตามมีก็มีหันและนาะ ธามทังประกาศเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาสัพ ป, ปัญญูยอดซอยหันบัทอยบาลีหมดหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวาตาตาโพธิสัตตุสิตาภาวเนอุปัจจิตวาดังนี้เป็นต้น เอกเวดุราภีคูตั้งหลายอันเป็นสายอริยเจ้าตกคำเจ้าภาวนาตาตาในกาลนันไซนอดพระติไวยทรงคุณบุญน้ำนุนไปเกิดจัน้าเลิดตุสีดาหึงเหมือนม้าแต่โสดพระไข่โพดฝูงคนจริงกันใจตนก้อยกาด จากภาษาตุสิดาแล้วลงมาบอจ้าลงสู่แหลงลาเบืองคนเอาพระที่สนกำเนิดในต้องนางผู้ผาเสดัตาวดีราชาเตวีรวมข้างแห่งพระเจ้าจ้างสมมตัดราชาญาตาและมีเมื่อใดดังอัน ตาตาในกาลนันใสนางนาทัยเตยวีนอนในร้อยที่ใกล้รุงนางเต้าหุงฟันหันอัศาจัน์หลายแหลเปิงกวัวแต่ดีลีฟันวานยังมีจ้างแก้วขาวฟ่องแผวงามตาสัญยอมมาจากฟ้าลงตัดนาห่อคำ ยอวงตําตีไกพระบาทไทยนางเมืองนางบุญเรื่องยศใหญ่กำวงไว้เรียวไว้ทัดนั่นไปบ่าจา้ามีผ่านป่าดงดอนถือของอนสาวางขึ้นขี่จ้างเจียงขานพรานใจหานกาหยาบเอาขอบขานาบซับหัว จังยินกวัวร้องแซนแล้วก็เล่นนีไปผ่านจังไรตกตอดลวดมวยหมดบำบาบเลือดเป็นสายไหลแลไหลนองแพปตวีแล้วฮัตทีจ้างกาก็ปอกหน้าขึ้นมาเอานางพญายศใหญ่ขึ้นขี่ไว้บนหลัง ร้องเสียงดังมีกองสนันห้องเวียงใจนางตกใจสะดุ้งสติฟุ้งเววาคันสุริยาุงแล้วนังนอแก้วบุญมีไปอันจูลีน้อมไบสึงเต่าไทยสามิกาครขีญยาเหล่าเก้าเฮเต่าเจ้าตามมี เจ้าปุริสมมตตราฟังโอกาสอากาศจัญกากรียกโหราผู้ใหญ่มานังไก้เดียวพันไข่กำมปันเหล่าเก้าหืโหราเท่าตามี ระบอดีผู้ใหญ่หูแจ้งไขอาการย่อมือสั่นใส่เก้าดบนอมเล่าไขคำบาคาแดเจ้าห่อคำยอดเย้าอันห่านางแม่เต้าเทวี บุญหลังมีบ่อน้อยติดจ้องหอยตัวมาจากใดบุตรตาผ่าเสือสมปันเลิดเจียงจินคนเตียวดินหลุมไต้มานอมไว้ปูจ้ายามเกิดมาเบื่อน้อยจักกาดก้อยเสียกันบ่อดับขันมวยหมอดจากใด้รอดขึ้นเมืองเตจะเรื่องหลายแหล่เป็นเจ้าแก่ปฐวีจะแลนาะ ตังสุตวสว่วพรณพาสมมตราดฟังโอกาสโหราสมมนัจ่าจมจื่นปีติตื่นยินดีปันนาการมีลายแรงต้าอืนแพรโหรากอมีฮันแหลนา ตาต่อปัฏานยาแรกแต่นั้นไปไปนนา้ายนานังนลาพตาวาดีก็รักษาอินทีบอกขาดบอกรามาตลาซานางกัญญานุมเทาวังแวดเฝ้าเอาใจรูกาไพใหญ่น้อยบ่จ้องห้อยสันดานบ่ปอนนานแต่ใส สิบเดือนไข่บัวระมวนกาละกวรมะรอดนางแก้วยอดปุรีอกะมะเหสีนยดใหญ่ก็พาสูดได้บุตตามีลักขณะผ้าเสื้องามลำเลดิดเปลงแป้งดังคำแดงเหล่าเบาผิวบอ่อเศรามีวันเจ้าห่อจันต้นปอฮักลูกน้อยนอเลือลาย ใส่ชจี้ไม่เมียดไว้ว่าเจ้านอไทเฮมากุ้มานว่าันก็มีฮันและนาโสเฮมากุมมารอันว่าเฮมากุ้มานนอเนาโอรถเจ้าปาราอยู่ตีคาจะใจ บ่อเมื่อยไข่หน่าในโรกาไัยผ่ญาตบ่อต้องปาดอินที่สิบเดือนมีมะไข่เตียวอย่างใดไปมาหูเจียนจาเกาวทอยลักแต่น้อยเหลือคนพญาตนเป็นป้อนางแก้วนอเทวีหักใส่สรีน้อยนาดบ่อเฮากาดสายตา จุ่มกัญญาหนุ่มเทาวังแวดเฝ้าเอาใจเขามีใจไฟห้อยรักเจ้านอน้อยอยู่คนคนก็มีฮันเลนาทีนี่จากวันนานาจะเล่าถึงตนเจ้าอุปราชากันพระพิตาปิ่นเก้ากับแม่เจ้าเทวี จับอินทีภากนาละไัยฟ้าเครื่องกาหึงเหมือนมาใจจะานับกว่าห้าหกปีนอปุรีอุปราชยังไม่มาเครื่องใจโกธาได้ไม่เดือดบ่หูเหือดเบาบางอืดอเอือ้างจะใจคานิงไข่ไปมาว่าบัดนีนาป่อเตาา ก็ผักดาวหายหนดับจิตตนก้อยกาดมาราณะาเป็นพี่แม่เตวียอดซอยก่อกาดก้อยเมื่อมอนเหลือแต่ผู้ทนผู้ปีใดนั่งตีเป็นคุณกู้มาลุนเป็นน้องปองฮือนั่งห้องอุปราชาบัตนีนาปี่เจ้าก็มีลูกเต้าเป็นจาย มันเตียงหม้มันแก่นเหือแตนแต่นคำเรืองเสวยเบืองแตนป่อก่อสร้างต่อย้วไฟกู้หมยใจคกิดไว้ว่าจักเป็นเต้าไทยเสวย่ม เตียงบอ่อสมไฟอ้างจากวิตวัางเสียได้กวนกู้คงควายย่าจ้าฮือได้เป็นเจ้าฟาหเร็วปั้นหล่อหอจันอุ ป, ป ร, ราชกานิ่งขวาดลายแสงโลภาแรงกาหยาบบอ่อสุภาพตามกองกานิ่งปองหาจ้องอยู่แต่ห้องหอในก็มีฮันและนะ โซราจาตั todos, ้งต <c oughs> ิสวาสวนภาญาสมมตราชาสะอาดบุญนาหันอุปาราจาน้องเน่ามองมนเศร้าเงาในหิวบ่อใส่พร้อมเปิดเหนียวน้องเกิดโรกาบ่อไข่จาปากป้องอยู่แต่ห้องหอตนเต้ากังวลหลายแหล่ไข่หูแน่สันได เจ้าหอใจผู้ปีบบ่เสียงตีสังกาจริงไปหาน้องเน่าทำเหตุเก้าความในว่าดุราใส่ใจเฮยน้องปีห <c oughs> น่าบอกกีเจ้ย้านดูมองผ่านลายลากบ่อไข่ปากไข่จาสันได้จ้าดังอีขอเก้าจี้ตามมี <c oughs> หรือสายปุรีน้องนามองมอนเศร้าร น, นิ่งหาอย่างพิตามันดาพ่อแม่อันตายแต่เมื่อ น, นานหรือสายผู้บานน้องจันกึนอดดันต่างใดอมีภัยหาวหาตั้งอามาเซนะตั้งกัญญาหนุ่มเทาย่าหอเจ้าเครื่องขี หรือว่ามีโรคไรติดแปดปลายในตนหรือมีคนอยากจะมาด่าว่าเตียนควันจุงไข่ปันบอกกาวหูหขาวตามมี ดูระใยปุรีน้องปีจุงกึดทีตามรายพ่อแม่เราตายผัค้องและเราปีน้องสองราปีลับตาและตื่นหันเจ้าคำมืนใจเดียวปีกึดเลียวคำเจ้าว่าเมื่อแก่เท่าจะราจากคือกานิธาน้องเนาได้เป็นเจ้าเสวยเมือง บัดนี้บุญเรื่องน้องไทยปล่อยมนตหไม่เงาในความสุขใจแห่งปีกอลีกลีนหายขอบุญภายน้องปีจุงแจ้งทีขีญาแดเตือ้อเมื่อ น, นั้นโอป ร, ราชายดใหญ่ฟังปีไทยจะทำด้วยกำงามหลยแล่จิงเกาแกมุสาวาข้าแดพระตาปีเจ้า น้องเฒ่าเงาหมองย้อนใจปองคือตรอดจิตดันสอดอะไรถึงใส่ใจพ่อแม่อันตายแต่เหมือนมาละเราราพี่น้องเอออยู่ห้องเวียงใจพอใจได้ไตลาบ่เหมือนหน้าพิตาพอนังกันย้าหนุ่มเทาบ่เหมือนแม่เจ้าเทวี พ่อแม่มีอยู่ไกลยำเมื่อยไข่เหนาไนเป็นบัดไอเอาฮอนเหน่าสะต้อนเย็นคิงพ่อแม่ปิ้งอยู่เฝ้าตุ้งคำเจ้าเยาวย า, าบัดนีนาะพ่อแม่บ่มีแต่แดนใดหันแต่ใส่ใจปีเจ้าอันเป็นเก้าปุรี ม่นปีนีผาค้างคาเตียงมั่งบำบายคากึดไม้บ่อขาดติ่งไม่มาดมองผ่านกินบ่อหวานเหมือนก่อนแรงน้อยอ่อนโรยราบอใจโรคกาพญาติยามาต้องปาดอินทีขอเจ้าปุรีปีไทยจุงหูไข่าตามมีแดดเตอ อังสุดว่าสวนพาดยาสมมาตรราชปังถอยวาดมุสาแห่งอุปาราชานองจันบ่กิดนันเยาวาใจว่าเาวไก่บ่สงสัยคิงคองว่าเป็นดังน้องไร่คำเจ้าหอคำหยดเาวก็สอนกก่าว น, นานาืฮอุปาราชานองไทย หายมนไม่มองขีแล้วขึ้นนี้ไปสู่ยังที่อยู่หอตนก็มีวันนั้นและนาะเนทิตังขียาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุนาเข้าคำผูกทวนสองอุปราชมองมนเ้า ให้เป็นเจ้าภาปาราชสมภาธนาไฟหอยเรือกาดก้อยวิ่ไก่กันคนใดไข่หูจุงอดอยู่ดาฟังก่อบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล